สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิทธิบิบาลนะครับพี่น้องครับในวันนี้เป็นเช้าวันจันทร์ครับเรากลับมาอยู่ใน20กฎทองคํานําสู่ชีวิตที่ดีงามและกลมกลืนสมานฉนเราอยู่ในหัวข้อที่13นะครับกฎที่13ก็คือกฎแห่งความสมดุลและวันนี้ความสมดุลระหว่างจิตใจภายในและพิธีการภายนอกครับ ความสมดุลระหว่างจิตใจภายในและพิธีการภายนอกพี่น้องครับศาสนาอาจารย์ดรฟลิปเทงนั้นท่านได้เขียนเรื่องของความสมดุลระหว่างสิ่งที่อยู่ภายในก็คือจิตใจและสิ่งที่อยู่ภายนอกในการนมัสการนั้นก็คือพิธีการการนมัสการนั้นต้องนมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริงแต่การแสดงออกภายนอกก็สาคัญ การแสดงออกภายนอกของการนำพิ ก, การด้วยจิตวิ ญ, ญญาณและความจริงนั้นก็เป็นพิธีการภายนอกพิธีการภายนอกนั้นเราจะต้องปรับให้สมดุลเหมาะสมกับจิตวิญญาณที่อยู่ข้างในบางคริสจักรนั้นไม่เอาพิธีการเลยและยังตราบาปให้กับคนที่เชื่อถือหรือคริสจักรที่เชื่อถือพิธีการด้วยบางคริสจักรนั้น กำแพงสีด้านก็ห้ามประดับประดาให้เป็นโคงไวเป็นสีขาวเป็นผนังธรรมด า, รรมดาไม่มีอะไรแขวนเลยข้างหลังของรร ม, มาศก็ไม่มีไม้กางเขนด้วยห้ามแขวนเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าพวกเขาเข้าใจว่าทำแบบนี้จะเหมาะสมกับคำสอนของพระกัมภีร์แต่ในความเป็นจริงนั้นควรจะมีการสมดุลครับเพราะพระวิหาร ในพันธสัญญาเดิมไม่ว่าจะเป็นกำแพงก็ดีหรือประตูก็ดีมีภาพมากมายซึ่งมีความหมายด้านจิตวิญญาณเช่นต้นสนสีดาหรือหน้าของเครูปเหมือนสิงโตและเหมือนหน้าคนอันนี้ปรากฏอยู่ในพระคัมภีร์เอเสเคียบทที่41ข้อที่18ถึงข้อที่20บบางคนก็กล่าวหาว่าคณะนักร้อง ถ้าบทไหนมีคณะนักร้องก็ไม่มีจิตวิญญาณแต่ไม่มีความสมดุลครับเพราะเราดูกษัตริย์ดาวิดครับเมื่อกษัตริย์ดาวิดนั้นเตรียมสร้างพระวิหารก็ได้กําหนดคณะนักร้องไว้แล้วล่วงหน้าเลยถึง254คณะนักร้องเลย254ชุดนี้ก็จะหมุนเวียนสับเปลี่ยนกันร้องเพลงสรรเสริญ น, นมัสการพระเจ้าในพระวิหารพี่น้องเห็นเช่นนี้เราจะเห็นว่านี่คือความสมดุล เมื่อกษัตริย์เยโอชาฟัดนํากํากองทัพออกทําสงครามกษัตริย์เยโอชาฟัดก็มีนักร้องครับมีคณะนักร้องสวมใส่ชุดนักร้องอยู่หน้ากองทหารเลยครับแต่ในที่สุดก็ไม่ได้ออกรบเพราะว่าในที่สุดนั้นศัตรูก็หนีไปเองเราจะเห็นได้ครับว่าการสรรเสริญพระเจ้าหรือการสรนเสริญก่อให้เกิดพลัง จิตวิญญาณดีหรือไม่ดีอยู่ที่จิตใจภายในที่คนหรือประชากรของพระเจ้าจะมีต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าก็ไม่ได้อยู่ที่พิธีการพี่น้องครับนั่นคือความสมดุลเราจะต้องสมดุลระหว่างจิตใจจิตวิญญาณภายในและพิธีการหรือการแสดงออกภายนอกมีคนต่อต้าน เรื่องแปลกๆนะครับคือห้ามมีไม้กางเขนแขวนไว้ในโบสถ์เขาก็มีเหตุผลของเขาเพราบอกว่าคนที่มีไม้กางเขนห้อยคอหรือโบสถ์ที่มีไม้กางเขนมันไม่ค่อยถูกต้องถือว่าเป็นรูปเคารพพี่น้องครับการอยู่ต่อหน้าไม้กางเขนเราก็แสดงความเรียกว่าดลึก แค่นั้นเองครับแต่ถ้าไม่มแม่งเขียนมันก็ดูกไรกลๆอยู่เราคงจำได้นะครับชนชาติอิสราเอลกราบไหวงูสำริดงูทองสำริดเพราะาเขาคิดว่างูทองสำริดนั้นครั้งหนึ่งได้ช่วยชีวิตประชากรของพระเจ้าบรรพบุรุษของเขานั้นให้รอดพ้นจากความตายก็เลยนามากราบไหวกัน อันนี้ปรากฏอยู่ในพระธรรมกัณา์วิถีบทที่21ข้อที่4ถึงข้อที่9พี่น้องครับเห็นไหมครับว่าการแสดงความเคารพนับถือภายนอกอาจจะไม่ใช่เป็นการนมศาการกราบไหว้นั่นคือเราจะต้องอยู่ในความสมดุลถ้าเราทําเกินไปมันจะกลายเป็นการบูชาน้ำมศาการรูปเคารพเราทําขาดไป มันก็ไม่สามารถสะท้อนบางสิ่งบางอย่างทางด้านภายในออกมาชาวอเมริกันหลายคนนั้นไม่ได้เป็นคริสเตียนแต่ชอบห้อยไม้กางเขนที่คอเป็นแฟชั่นเขากำลังทำสิ่งเลวร้ายเขาห้อยไม้กางเขนเหมือนคนจีนห้อยเครื่องรางของขลังคิดว่าเขาจะได้การคุ้มครองจากไม้กางเขนบางคนเข้าใจผิด ว่าการอธิษฐานหน้าไม้กางเขนนั้นก็จะศักดิ์สิทธิ์และขลังบางคนเสนอไม่แขวนไม้กางเขนเลยแต่ก็ไม่ใช่ทุกิจจักที่แขวนไม้กางเขนจะมีความคิดเช่นนี้พี่น้องครับพวกเราไม่มีใครคิดว่าต้องอธิษฐานหน้าไม้กางเขนจึงจะศักดิ์สิทธิ์หรือขลังไม้กางเขนเป็นสัญลักษณ์แห่งความเชื่อและการเป็นพยานเพราะฉะนั้นจึง เกิดความสมดุลครับให้เกิดความสมดุลนะ่ครับไม่จาเป็นต้องเอาไม้ยังเขนออกหรือไม่จาเป็นที่จะต้องคารวะกราบไหว้ไม้ยางเขนให้เป็นรูปเคารพเรามาดูครับว่ามหาสนิทศักดิ์สิทธิ์นั้นเป็นพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์พิธีนี้องค์พระบุเจ้านั้นเป็นผู้ที่แต่งตั้งหรือเป็นผู้ที่จัดขึ้นพิธีนี้ถือเป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์เป็นพิธีการ แล้วก็เมื่อเราเข้าร่วมในพิธีศักดิ์สิทธิ์นี้หลายครั้งเรามักจะได้รับการเจิมจากพระวิญ ญ, ญาณบริสุทธิ์การแต่งตั้งของพระองค์และได้สัมผัส ถ, ถึงความสัมพันธ์อันยิ่งใหญ่ความสนิทสนมอันยิ่งใหญ่ที่เรามีกับองค์พระผู้เป็นเจ้าและหลายครั้งเราก็มักจะได้รับสิ่งใหม่การอย่างรู้ใหม่และ หลายสิ่งหลายอย่างรับการลื้อฟื้นจากการเข้ามหาสนิทศักดิ์สิทธิ์นี้ซึ่งเป็นพิธีการภายนอกเราจะต้องปรับให้เหมาะสมครับให้เกิดความสมดุลระหว่างพิธีการภายนอกและจิตวิญญาณภายในพิธีบัพติสมา ก, ก็เหมือนกันครับเป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์เช่นเดียวกันตามที่องค์พระวิญ้าได้ทรงจัดตั้งไว้พระองค์เองก็ทรงรับ พิธีบัพติศมาด้วยแต่คนละความหมายกับเรานะครับและพระองค์ตรัสว่าจงเชื่อและรับบัพติศมาแล้วท่านจะรอดจากตรงนี้นี่เองทําให้เราเห็นว่าถ้าเราปฏิเสธการมีพิธีการภายนอกก็เท่ากับเราคลาดเคลื่อนแต่ถ้าเราพึ่งพิงพิธีการภ า, ภายนอกเพื่อรับความรอดนะก็คลาดเคลื่อนเหมือนกันคนที่รับบัพติศมาไม่ได้หมายความว่าเขาจะรับความรอดจิตใจภายในต้องมีความเชื่อความศรัทธาร่วมกัน และจิตใจภายในนี้สำคัญกว่าด้วยช้าเพราะว่าเราไม่ได้ลัทธิพิธีกรรมหรือไม่ใช่เป็นศาสนาแต่เราก็ไม่ปฏิเสธพิธีกรรมพิธีการทั้งหลายจิตใจภายในกับพิธีกรรมภายนอกต้องปรับให้ได้ความสมดุลนี่แหละครับสำคัญครับการนัักด์สกทถ้ามีพิธีการที่ดีก็จะทำให้ทุกคนมี มีระเบียบวิ น, นัยมีใจยำเกรงพระเจ้ามีใจนำ้ำมัสการสรรเสริญพระเจ้าอยู่ในกรอบอยู่ในบางสิ่งบางอย่างที่ดีมีใจระลึกและมีใจรักในพระเจ้าพิธีกรรมแบบนี้ก็จะเป็นประโยชน์ต่อทุกๆคนท่นนานศาสตราจารย์ฟิลิปเทงนั้นได้ยกตัวอย่างคริสจักรคณะ CMA Mission ที่แวนคูเวอร์แคนาดา ที่ข้างๆของธรร ม, มาทก็จะมีปฏิบต์ทองคําซึ่งเป็นภาพใหญ่สวยงามมากประบตพทองคํานี้เป็นสัญลักษณ์เล็งถึงพระเยซูทรงเป็นความสว่างของโลกเป็นรูปภาพที่มีคุณค่ามากเป็นศิลปะทางจิตวิญญาณและเพื่อให้ก่อเกิดประโยชน์ทางด้านจิตวิญญาณทุกคนที่เข้ามาในบัว ก, ก็เห็นประบตพทองคํานี้เห็นภาพนี้ก็เลยมีความคิดมีบรรยากาศฝ่ายวิญญาณเกิดขึ้น การมองเห็นของมนุษย์เรานะครับเราคงปฏิเสธไม่ได้ว่ามันก็ทําให้คนจะมีความรู้สึกที่ดีเกิดการกระทําที่ดีเมื่อเข้ามาในพระวิหารของพระเจ้ามองเห็นสิ่งที่ได้เขียนไว้ในพระคัมภีร์โดยใช้วัตถุสิ่งของที่สะท้อนถึงความคิดในใจโน้มนําจูงใจให้ได้คิดถึงความหมายข้างใน ทำให้เกิดมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นครับว่าการเป็นแสงสว่างนั้นหมายความอย่างไรนี่เป็นเหตุให้ทำให้พระวิหารของพระเจ้าก็เต็มล้นด้วยพระวจนะของพระเจ้าการคิดตามพระวจนะของพระเจ้าบางคริสตจักรนั่นก็เขียนข้อพระคัมภีร์ติดไว้ตามผนังของโบสถ์ก็เป็นประโยชน์ใช่ไหมครับก็คงไม่ต้องทิ้งผนังให้ว่างเปล่าไม่มีอะไรเลย นี่แหละครับคือความสมดุลของภายนอกและภายในครับพี่น้องครับเราอาจจะต้องมานั่งคิดพิจารณาว่าชีวิตของเรานั้นจะมีความสมดุลระหว่างภายนอกภายในได้อย่างไรภายนอกคือพิธีการภายในคือจิตวิญญาณครับขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะมีความสำนึกตระหนักถึงความจาเป็นความสำคัญของการสมดุลหรือความสมดุลนี้เสมอ ในทุกๆด้านชีวิตของเราภายในกับภายนอกต้องสมดุลกันมันถึงจะสวยงามและไม่มีความขัดแยง้งอาเมน